ท่านพระอาจารย์เป็นผู้พอเรื่องการรับบริจาคปัจจัยสี่นั้นดูจะมีขอบเขตคำว่าพอหรือพอหลักบาลีว่าอาลังในกุติ ข, ของท่านนอกจากสิ่งจำเป็นสำหรับใช้สอยประจำวันแล้วไม่มีอะไรเลยผู้เล่าเคนำอาตรายจีวอนที่ท่านรับบางสุกุล ไปเก็บไว้ในห้องท่านท่านไปเห็นเข้าดุเตเพิดผู้เล่าใครเอาอะไรมาไว้ที่นี่เระผมขอรับเราไม่ใช่หลวงตาสารโมบโลภมากรีบเอาหนีใครอยากได้ก็เอาไปท่านว่าผู้เล่ารีบเอาไตรจีวร อ, ออกไปทันทีแม้การรับบริจาคทานของท่านพระอาจารย์เท่าที่ผู้เล่าเคยสังเกตมาหลายปี ท่านพระอาจารย์จะเปิดโอกาสให้ผู้มีศรัทธาบริจาคดูจะเป็นการเป็นสมัยเช่นการกระถินภายใน30วันวีสาขาบูชาเดือน6เพนภายในสมวันคือขึ้น14ถึง15บ้าำและแรมหนึ่งค่ำก่อนเข้าพรรษาเริ่มตั้งแต่เดือนเจแรมค่ำหนึ่งถึงเดือน8แรมค่ำหนึ่งยกเว้นกรณีพิเศษ บุคคลเหล่านี้คือหญิงมีคันคนชราคนป่วยและคนจะไปสนามรบท่านจะอนุญาตเป็นพิเศษผู้เราเคยเห็นท่านกวากมือเรียกเข้ามาเลยถ้ามีบุคคลไปถวายท่านในการในสมัยที่ว่านี้เปิดเต็มที่ใครทันก็ทันใครไม่ทันก็ไม่ทันนอกการถ้ามีคนมาถวายท่านท่านจะถามว่า บุตรภรรยาสามีบิดามารดาของท่านพอหรื อ, อยังอาตมาหรือบางทีท่านเรียกพระเท่าแทนตัวท่านอาตมาและภิกษุสามเณรรวมทั้งผ้าขาวที่อยู่กับอาตมาพอแล้วตั้งแต่การกะถินนั้นถ้าบุตรภรรยาของท่านยังไม่พอให้ทานบุตรภรรยาของท่านเสียก่อนโยมก็พูดว่า ผมอยากได้บุญกับท่านอาจารย์ท่านบอกว่าการให้บุรภรรยาบิดามารดาก็ได้บุญเหมือนกันบุรภรรยาบิดามารดาเป็นหน้าที่ของกุลระบุตผู้ครองเรือนต้องรับผิดชอบท่านคงประสงค์ให้กุลระบุตเอาใจใส่ก่อนจะให้ใครให้นึกถึงท่านเหล่านี้ก่อนในความรู้สึกของผู้เล่า ท่านพระอาจารย์คงมุ่งผลประโยชน์ของเศรษฐกิจในครอบครัวชาวบ้านมากต้องการให้ชาวบ้านมีกินมีใช้จึงไม่รบกวนชาวบ้านเป็นอยู่อย่างสมัตาจริงๆเมื่อมีเศรษฐีหรืออิสระชนมาถวายทานท่านพระอาจารย์กลับไปแล้วท่านมักบ่นๆให้ผู้เล่าฟังว่าพวกนี้มันมาอดมั่งอดมีต่อเรานึกว่าท่านพระอาจารย์ ยินดีจะได้ของดีๆราคาแพงได้มากๆท่านกลับมาว่ามาอวดมั่งอวดมีกับท่านท่านพระอาจารย์มั่นเคารพนับถือให้เกยียรติคณะปกครองบริหารทั้งสองคณะคือทั้งธรรมยุทธ์และมหานิกายท่านไปอยู่บ้านใดตำบลใดจะแจ้งให้เจ้าคณะตำบล น, นั้นทราบเสมอทั้งสองฝ่าย อาจาจะมีการก่อสร้างจะปรึกษาและขอความเห็นจากผู้ปกครองเสียก่อนเห็นดีแล้วจึงทาท่านเป็นบุคคลท่อมตนไม่ถือว่าเป็นผู้มีบุญหนักสักใหญ่มีคนนับหน้าถือตามากท่านม่ลืมตัวว่าท่านก็มาจากเด็กท้องทุ่ง หมายเหตุเรื่องสถานที่บรรลุธรรมของท่านพระอาจารย์มั่นนี้หลวงตาทองคำเล่าว่าท่านพระอาจารย์มั่นไม่เคยระบุตรงๆว่าเป็นสถานที่ใดแต่ท่านจะกล่าวถึงการปฏิบัติโดยเทียบเคียงกับสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงเทศนาไว้สิทธิ์ต้องจับและเทียบเคียงกับเรื่องการออกทุดงและจำพรรษาของท่านพระอาจารย์เองทั้งหมดนี้เป็นความเข้าใจของหลวงตาทองคา หหลวงตามหาบัวยานสัมปันโนได้เล่าไว้ในหนังสือประวัติท่านพระอาจารย์มั่นถึงเรื่องเดียวกันนี้ไว้กว้างๆ ว, ว่าท่านพระอาจารย์มั่นบรรลุธรรมที่ธรรมสาริกาจังหวัดนคร น, นายกและที่จังหวัดเชียงใหม่ตามลำดับ